สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่สิบสีเรื่องปัญญากับคนสองประเภททั้งที่สองครับพี่น้องครับคนสองประเภทนี้ประเภทแรกนะครับก็คือคนที่ทอดทิ้งวิถีความเที่ยงธรรมประเภทของคนที่กระทาความชั่วไรแล้วเกิดความสนุกสนาน นะครับคนที่วิถีชีวิตนั้นก็ลดเลี้ยวเขียวขดนั่นคือคนประเภทแรกนะครับซึ่งอาจจะเปรียบเทียบได้กับผู้ชายนะครับแต่ว่าคนประเภทที่สองนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าเปรียบเทียบกับคนประเภทผู้หญิงครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในข้อที่สิบจนถึงข้อที่สิบเกนะครับก็พูดถึงเรื่องของหญิงชั่วครับหญิงชั่วที่ทําให้อานุชนผู้ชายคนหนุ่มๆ ห, หรือแม้กระทั่งคนที่เติบโตแล้วนะครับลืมพันธสัญญา แห่งพระเจ้าของตนที น, นี้นะครับคนสองประเภทนี้นะครับทําให้ชีวิตของคนของพระเจ้าได้หลงออกจากทางของพระเจ้าและทิ้งวิถีแห่งปัญญาเสียเรารู้นะครับว่าเมื่อเราได้รับสิปรรัญญาชีวิตของเราจะเติบโตขึ้ น, นเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอเราจะต้องไว้วางใจในพระปัญญาหรือครูปัญญาของเรานะครับซึ่งในสมัยนี้เราเรียกว่าพระวิะว ญ, ญญาณบริสุทธิ์และพระเจนะของพระเจ้านะครับ เพราะนัเราต้องไว้วางใจพระองค์และไว้วางใจโภชนะของพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้าประการต่อไปก็คือว่าเราต้องจะหนักว่าพระกัมภีร์นั้นเปิดเผยพระปัญญาของพระเจ้านั้นแก่พวกเรานะครับพระกัมพีเปิดเผยพระปัญญาของพระเจ้าแก่พวกเราประการต่อไปก็คือว่าเราจะต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องและทําในสิ่งที่ถูกต้องตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงหลุมพรางนะครับหลีกเลี่ยงหลุมพรางต่างๆของอคนทั้งสองประเภทนี้และ ประเด็นต่อไปก็คือเมื่อเราทําบาหรือตัดสินใจผิดพลาดนั้นเราจะต้องกลับใจเสียใหม่ครับแล้วต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราฟื้นฟูชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพี mm. ่น้องครับในการที่เราจะเติบโตขึ้นนั้นย่อมมีปัญหาอุปสรรคยออ่อมมีผ่านขวากหนามย่อมมีหลายหลยอย่างที่ทําให้เราท้อแท้ใจนะครับอยากจะยกคําพูดของคนบางคนว่า ท้อได้แต่อย่าถอยครับบางคนอาจจะมีมุมมองและความเข้าใจมากกว่านะครับเราแต่ว่าเมื่อเราพยายามที่จะเติบโตด้วยพระวจนะและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเราเรียกว่าพระปัญญานี่เองชีวิตของเราเนี่ยคุ้มรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับบางคนจะมีความรู้นะครับมากแต่ขาดความชํานาญนะครับและบางคนสามัญสำนึกของเขาเนั้นก็ไม่ใช่เป็น เรื่องสามัญภาษาอังกฤษใช้คาว่า common sense is not common บางคนนั้นเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องขาพระวจนะของพระเจ้าได้ให้ความมั่นใจแก่เราว่าเราสามารถที่จะอธิษฐานขอสิบัญญาได้และการขอสิบัญญานั้นทำให้เราก้าวหน้าเจริญเติบโตในขั้นตอนการพัฒนาจิตอิญญาณของเราพัฒนาที่จะเติมสติปัญญาหรือเติมพระปัญญาเข้ามาในชีวิตของเรา ความสุขขุมรอบครอบทําให้เราเกิดความแยกแยะในความผิดความบาปการดีการชั่วการอัธรรมความชอบธรรมสิ่งต่างเหล่านี้ครับเราฝึกบ่อยๆนะครับทําให้เรารู้นะครับเรารู้แรงจูงใจของคนชั่วรายและของหญิงแพทย์สยามพี่น้องครับเราจะสามารถประเมินสิ่งต่างที่เราทําลงไปได้และผลที่ได้ก็จะเป็นการพัฒนา และเรารู้ครับว่าทางและวิถีของคนชั่วร้ายและหญิงแพศยานั้นจะนำเราเราจะไม่เพียงพล้ำและตกอยู่ในกับดักลุมพรางของมันการพัฒนาชีวิตของเราโดยใช้พชนะาของพระเจ้าอย่างสม่าเสมอทำให้เราตัดสินใจในเรื่องต่างๆในแต่ละวันได้อย่างรอบครอบและอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและเมื่อมีความสุขขมพระเจ้าก็จะช่วยเรา เพื่อที่เราจะไปถึงการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเรานะครับบาปสองอย่างที่แก้ไขยากที่สุดนะครับก็คือความหญิงยโสและความบาปทางเพศเพราะฉะนั้นความหญิ่งยโสเองนั้นทําให้คนเราเนี่ยได้มีความเพลิดเพลินและไม่ยอมกลับใจครับมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นอยู่ในทางที่ถูกต้องแล้วพี่น้องครับ ผมอยากจะให้ในเช้าวันนี้เร า, เราทั้งหลายได้มีโอกาสพิจารณาตัวเองเมื่อเราเจอกับคนที่ทอดทิ้งวิถีแห่งความเที่ยงธรรมเดินอยู่ในทางของความมืดเป็นปรีในการกระทําความชั่วร้ายและปิติยินดีในการนั้นอยู่ในข้อที่สิบสามสิบสี่นะครับวิถีชีวิตของเขาเหล่านั้นคดเคียเ้ยวเลี้ยวลดพี่น้องครับเมื่อเราเจอคนแบบนี้เราจะต้องรู้สึกก่อนครับว่าเขานั้นอยู่ในทางที่ไม่ถูกต้อง และนี่คือจิตวินิจฉัยครับนี่คือเรียกว่า discernment spirit นั่นคือของประทานที่เรียกว่าทําให้เรารู้จักสังเกตวิญญาณสังเกตแรงจูงใจของคนรู้เข้าไปในส่วนที่ลึกๆของคนบางคนนะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างครับอย่างแรกก็คือความหญิงยโสอีกอย่างหนึ่งก็คือความบาปทางเพศทั้งสองอย่างนี้นะครับพูดกับเราเสมอทําให้เราสามารถพูด ว่าฉันอยากจะได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้ฉันควรจะได้นะครับนี่คือเรื่องของความหญิงยสโซฉันจะต้องได้นะครับแต่เรื่องของการบาปทางเพศนั้นก็คือจะพูดว่าฉันจะต้องมีเมื่อรวมกันแล้วนะครับฉันจะต้องได้ฉันจะต้องมีความยั่วยวนของบาปทั้งสองนี้ก็นําไปสู่ความตายครับกระส่โซลมอน ได้กล่าวว่าเราจะเอาชนะพวกมันได้โดยการพึ่งพากำลังจากพระเจ้าเราชนะเราสามารถชนะมันได้โดยการพึ่งพาพระกำลังที่มาจากพระเจ้ามีคอมเมนต์รี่หรือคาอธิบายท่านกำพรีตอนหนึ่งครับเขียนยากอย่างนี้ความหยิงดึงดูดสมองที่ว่างเปล่าความเย้ายวนทางเพศดึงดูดหัวใจที่ว่างเปล่าความหยิงนั้นดึงดูดสมองที่ว่างเปล่า ความเย้ายยวนทางเพศดึงดูดหัวใจที่ว่างเปล่าพี่น้องครับถ้าสมองเราว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรเติมเต็มและไม่รู้ว่าเราเต็มแล้วหรือยังเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเต็มแล้วแต่จริงๆแล้วเราสมองเราว่างเปล่าครับเช่นเดียวกันครับหัวใจจะต้องรับการเติมเต็มครับแต่บางคนไม่รู้ว่าหัวใจของเราจะรับการเติมเต็ม <ๆ S 1> แล้วหรือยัง ครับแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเราเต็มแล้วแท้จริงแล้วก็ยังเป็นหัวใจที่ว่างเปล่าและทําให้เราตกอยู่ในความเย้ยยวนทางเพศวิธีแก้ก็คือว่าเราต้องเพ่งมองที่พระเจ้าครับเราเติมเต็มสมองของเราด้วยพระว จ, จนะด้วยพระปัญญาและเติมเต็มหัวใจของเราด้วยความรักของพระองค์พี่รองครับเราสามารถเติมเต็ม สมองของเราด้วยพระวจะนะและพระปัญญาของพระเจ้าและเติมเต็มหัวใจของเราด้วยความรักของพระองค์เพราะฉะนั้นให้เราเป็นคนที่เฉียดแล้วฉลานะครับอย่าเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาให้เราจำไว้ว่าพระเจ้านะครับมีการกำหนดและมีพระประสงค์ที่ดีในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นการหญิ่งยโสไม่ใช่เป็นการทำผิดทางเพศแต่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์และเป็นชีวิตที่มีความหมายครับ และเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีศักดิ์ศรีเรามีเสียงต่างที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเราเพราะฉะนั้นอย่าเอาเกียรติยศได้ศักดิ์รีของเราไปแลกกับของราคาถูกครับเป็นของที่มาจากซึ่งชั่วร้ายเป็นของที่จะทําให้เราเดินอยู่ในทางที่นําไปถึงความตายพระเจ้าต้องการให้เราทูลขอสติปัญญาจากพระองค์ครับและทูลขอพระกําลังจากพระองค์เพื่อต่อต้านการทดลองเหล่านี้ เพราะฉะนั้นปัญญากับคนสองประเภทนะครับเราจะต้องต่อต้านด้วยอะไรครับด้วยอาศัยพระปัญญาครับคนสองประเภทนี้จะทําให้เราตกต่ําและตกลงสู่ตกลงจากมาตรฐานที่พระเจ้าต้องการด้วยเหตุ น, นี้เองเราจะต้องระบมา ร, ระวังและตระหนักว่าเราเองนั้นเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะไม่เอาตัวของเราไปเกลือนกลั้วอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็น สิ่งที่ดีและเป็นมนทินทั้งหลายให้เรารู้นะครับว่าเราจะต้องรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราด้วยอาศัยกําลังที่มาจากพระเจ้าด้วยอาศัยการอธิษฐานการบิงวอนด้วยอาศัยการที่เติมเต็มหัวใจของเราด้วยความรักของพระเจ้าและเติมเต็มสมองของเราด้วยความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าและทั้งสองสิ่งนี้นะครับจะผนว ก, กันจะเสริมแรงซึ่งกันและกันจะซินเนจี้ ซึ่งกันและกันเพื่อทําให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นและสุขุมรอบคอบทําให้เราสามารถที่จะแยกแยะสิ่งถูกผิดออกจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวสิ่งที่ชั่วขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเนะของพระเจ้าได้ให้เรามีกําลังใจและมีความหวังหลายคนอาจจะท้อแท้ใจครับเพราะว่าต่อสู้มานานกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูนั้นทรงเป็น มนุษย์สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนตในขณะเดียวกันพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าสมบูรณ์แบบร้อเปอเซนตเพราะฉะนั้นพระเยซูผ่านมาได้นะครับพระเยซูเป็นต้นแบบของเราและเราทั้งหลายก็จะผ่านได้เช่นเดียวกันขอขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะได้มอบชีวิตของเราถวายกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งเพื่อพระองค์จะทรงโปรดทาให้เราเติบโตขึ้นด้วยพระปัญญาที่มาจากพระองค์อาเมน